ลบปลายของผู้ที่กระทำความชั่วนั้นก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ และพวกเขาเยอหยันมันอัลลเบดัลขลักทยุดูท้ไป่้ทุจรจอัลลอทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีกแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์วันที่จต้องมีเวาทจะปลล่อกริ และ ว, วันที่วราระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกกออาจยา ก, กรรมก็จะหมดหวังและจะไม่มีผู้ใดาจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้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 การสรรเสริญบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระงและในยามครบค่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามว่าพระองค์ทรงให้มีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต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 แล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไปและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของปรุง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 แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฟัง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 และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน و و และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพันดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ ز ز และพระองคือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างและทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกและมันก็ง่ายยิ่งสำหรับพระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชายาณ ض บ ب ล่าคุณมัธเร็มินอันฟุศกุม هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأتم فيه سواء أ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصن الآيات لقوم يعطون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 เราจะแจกแจงสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ชายปัญญาแปลว่าเลยแต่ว่าบรรดาผู้อธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ายต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แล้วผู้ใดเล่าจะแนะนำ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 ดังนั้นเจ้าจงพินหน้าของเจ้าเข้าสู่สาศาสนาที่เที่ยงแท้โดยธรรมชาติของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอ์นั่นคือาศาสนาทเที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัตินมาก โดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาคีคือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อ สิ่่งทีีพวกเขามอและเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรถความเมตตาจากพระรง่งค์ณบัดนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งพาขี่ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาลียกรรรมมมบิาาาาลลเะะพก็จงเนราคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิด และพวกเจจ้้้าไดรูอหรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อรไป และเมื่อเราได้มนุษย์ลิมรถความเมตตาพวกเขาก็ดีใจตอบและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไว้แล้วพวกเขาก็หมดอะไรอَแล ل มีรَูวَาْัลลอฮฺยบุษตรดิษควาลไม ي ي พวกเขามีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่โรงทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา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 และชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะและสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากซับดอกเบี้ย เพื่อมันเพิ่มภูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มภูณน์ณที่อัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากยะกาโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างเทวีคุณอัลลอฮฺลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอมฺอัลลอฮฺอุมลอฮฺมัลลอฺุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ฮัลหมี شركائهم ไม่ย่ำลุ่มในดัมมชสุบฮวลอมาริกอลลอทรงสร้างพวกเจ้าแล้วทรงให้ปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าแล้วทรงให้พวกเจ้าตายแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้น มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรง ส, งสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งพากยีาการบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วน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 พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งภาคีดังนั้นจงบุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อาศาสนาเที่ยงธรรมก่อนวันหนึ่งคือวันกียามะของเอลรอจะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้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 เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความบีทั้งหลายด้วยความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธา และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของประองคือประองค์ส่งส่งลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อประองจะส่งให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความเมตตาของพระอง และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยท่าบัญชาของพระและเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาจากความโปรดปรานของพระและเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ <S <S <S <S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 ค uh ือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา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 เมื่อมันได้ตกลงมายัางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวงเบาของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจและทั้งๆที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขา พวกเขาก็เป็นผู้หมดหวังนั้น า, า, าดูอใอยเห็นความเมตตาของอัลลอฮว่าพระงค์ทรงให้พันดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งอย่างไร แท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งและหากเราได้ส่งลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนรคุณ หลังจากนั้นอลทุทุมีออบแพ้จริงเจ้าจะไม่ทําให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทําให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับทบมีบลทหม ي ي และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทางนำแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาเจ้าไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา โดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมยอมจำนนอัลลอฮฺผู้ที่ خلقكم من ضعف ثم อลัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพอ่อนแอ แล้วหลังจากความอ่อนแอรพอระองค์ก็จะทรงทาให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทำให้อ่อนแอและชราภาพพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงิ์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอานุภาพ และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงชั่วครู่ชั่ว ย, ยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกให้หันเหออกไปกบ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 ไมม่่ยออเชืในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์กแก่บรรดาผู้อธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกร้องขอให้กลับเนื้อกลับตัว และแท้จริงในอัลกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรณไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์และหากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณหนึ่งแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทาจะกล่าวว่า